นานบ้านเขียวคุณพิทักษ์บริหารบ้านคุณพิทักษ์บ้านเขียวหรือบ้านผีสิงในสายตาชาวบ้านขึ้นชื่อในเรื่องความลึกลับขนาดดึงดูดให้ผู้คนที่ชื่นชอบเรื่องราวความลี้ลับรวมถึงรายการทีวีต่างๆซึ่งให้ความสนใจและยังถูกจัดอันดับให้เป็นบ้านที่มีความน่ากลัวติดอันดับตนๆบ้านคุณพิทักษ์บริหาร เป็นบ้านไม้ทรงปั้นหยาหลังใหญ่มีอายุมายาวนานกว่าหนึ่งร้อยปีตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยพื้นที่หมู่สองตำบลอมริตอำเภอพักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าของนั้นได้ยกให้กับทางราชการตั้งแต่ปีพศ2505ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมลึกลับน่ากลัวและเป็นทรัพย์สินของทางราชการ โดยสำนักงานกลมธนารักพื้นที่พระนครศรียุทธยาเป็นผู้ดูแลอย่างไรก็ตามบ้านหลังนี้เคยตกเป็นข่าวดังมาโดยตลอดในเรื่องของความเฮี้ยนของผีสิงที่อยู่ในบ้านบ้านขุนพิทักษ์บริหารก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่หมีขุนพิทักษ์บริหารหรืออีกนามหนึ่งคือพึ่งมีลินทวณิชและนางกระจางผู้เป็นภรรยาเป็นเจ้าของบ้าน โดยขุนพิทักษ์รับราชการเป็นนายแขวงเสนาใหญ่ซึ่งคืออำเภอผักไห่ในปัจจุบันและยังเป็นเจ้าของกิจการเรือสองชั้นที่เรียกว่าเรือเขียวซึ่งเป็นเรือโดยสารขนาดใหญ่ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารในแม่น้ําน้อยระหว่างผักไห่ท่าเตียนกรุงเทพและผักไห่ปากน้ําโขจังหวัดนครสวรรค์ทําให้การค้าขายในบริเวณนี้เจริญรุ่งเรืองมากแต่ภายหลังได้มีการทําประตูทดน้ํา เรือจึงไม่สามารถแล่นได้อีกและถนนก็มีหนทางที่จเจริญขึ้นกิจการเดินเรือก็จึงเลิกไปบ้านเขียวนอกจากจะเป็นบ้านอันแสนอบอุ่นของขุนพิทักษ์บริหารกับครอบครัวแล้วยังเคยมีโอกาสได้รับเสด็จราชการที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นด้วยอีกทั้งบ้านที่มีอายุกว่า100ปีหลังนี้ยังเคยถูกใช้เป็นที่ว่าการอำเภอไปในตัวด้วยเรียกว่าบ้านเขียวหลังนี้ คือทุกสิ่งทุกอย่างของท่านทั้งครอบครัวลูกหลานเหลนและหน้าที่การงานท่านจึงรักและห่วงบ้านหลังนี้เป็นอย่างมากตระกูลขุนพิทักษ์เป็นตระกูลใหญ่ขุนพิทักษ์มีบุตรทั้งหมด6คนมีหลานอีกหลายคนบุตรคนโตคือนางทองคํามิลินทวานิษ์บุตรคนที่สองคือนางบุญมีบุตรคนที่สคือนายโกยคนที่สี่คือหลวงมิลินทวานิชคนที่ห้านางวง์ ซึ่งเป็นภรรยาของหลวงพ้อมทีละพัน์ผู้บังคับการเรือหลวงทนบุรีเมื่อสมัยสงครามโรคครั้งที่สองและคนที่6นางยูนบ้านเขียวปลูกบนเนื้อที่1ไร่72ตารางวาเป็นบ้านทรงปั้นหยาสองชั้นยกพื้นสูงปลูกสร้างด้วยไม้สักบางส่วนเป็นตึกทาสีเขียวทั้งหลังหลังคามุงกระเบื้องสีน้ำตาลเข้มสภาพภายในยังแข็งแรงแต่สภาพภายนอกสุดโทรม ประตูหน้าต่างมีลวดลายแกะสลักอย่างประณีตบรรจงพื้นเป็นกระดานไม้สักแผ่นใหญ่ชั้นล่างมีห้องโถงใหญ่หนึ่งห้องมีตู้ไม้สักสามหลังห้องเล็กสองห้องในห้องเล็กใกล้ระเบียงหลังบ้านมีตู้เหล็กนิรภัยสูงถึงหนึ่งเมตรปิดล็อกไว้และห้องใต้บันไดอีกหนึ่งห้องส่วนชั้นบนมีห้องโถงหนึ่งห้องห้องเล็กสมห้องและห้องซอยด้านหลังอีกหนึ่งห้อง ในห้องเล็กที่ใกล้กับทางลงมีห้องแยกออกไปอีกเป็นห้องที่ใช้ประตูเดียวกับห้องแรกภายในห้องแยกมีห่วงเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กหนึ่งนิ้วตรึงอยู่กับพื้นมุมห้องหน้าต่างและประตูใช้กอนไม้แบบโบราณพื้นเป็นกระดานไม้สักแผ่นใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากในสมัยนั้นด้านหน้ามีสะพานไม้เชื่อมไปที่ศาลาใหญ่ริมน้ำและเรือนพักคนรับใช้หลังเล็ก ของนายฟื้นผู้ดูแลบ้านคนสุดท้ายซึ่งมีอาชีพทำขนมจีนขายและก็ได้เสียชีวิตที่เรือหนหลังเล็กนี้หลังจากนายฟื้นเสียชีวิตนางวาดซึ่งเป็นภรรยานายฟื้นและเป็นอมพึกอมภพาตก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านพักคนชราและไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลยเมื่ออายุได้ประมาณ70ปีขุนพิทักษ์บริหารก็เกิดล้มป่วยได้โรคที่สมัยนั้นเรียกกันว่าผีฝักบัว ท่านถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์เพื่อเข้ารับการรักษาโดยขุนพิทักษ์บริหารรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้19วันก็รู้ดีว่าอาการป่วยนั้นไม่สามารถรักษาเยียวยาให้ดีขึ้นได้อีกแล้วญาติๆจึงพาท่านกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านเขียวเพื่อเก็บความทรงจำและไว้อะไรในสิ่งที่รักเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่คุณพิทัก์บริหาร จะสิ้นลมไปในบ้านหลังนั้นนั่นเองหลังจากคุณพิทักษ์สิ้นชีวิตลูกหลานก็ได้ย้ายไปภูมิลำเนาอื่นส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพแม่จ่างภรรยาท่านขุนจึงได้ยกบ้านหลังนี้ให้หลวงเป็นที่ราชพัสดุกรมธนารักโดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบเข็มชั้นเครื่องหมายทองประดับเพชรให้กับนางจางด้วยด้านชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่าทุกครั้งที่เข้าไปในบ้าน จะมีความรู้สึกว่ามีคนแอบมองและเดินตามวนเวียนไปมาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลากลางคืนจะมีความรู้สึกลักษณะนี้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่มีใครโดนหลอกให้วาดกลัวอย่างจังนอกจากการทำให้รู้ว่าบ้านมีเจ้าของดูแลอยู่เท่านั้นชาวบ้านจำนวนไม่น้อยบอกว่าเคยเห็นคุณพิทัก์บริหารอยู่กับบริวารภายในบ้านทั้งกลางวันและกลางคืน โดยแต่งกายในชุดคนโบราณและในบ้านจะมีความคึกคักเนื่องจากมีคนอยู่เป็นจำนวนมากนั่นเองถ้ายังจำกันได้กับข่าวน้องกุ้งนางจากกรณีที่น้องกุ้งนางวัย18ปปีกับเพื่อนอีกสามคนพากันเที่ยวที่บ้านเขียวขุนพิทักษ์ที่ตบำบลอมริตอำเภอพักไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นบ้านที่มีคาล่าลือกันว่า มีวิญญาณเฮียนจนเป็นที่โด่งดังโดยการเดินทางไปของน้องกุ้งนางทั้งสองครั้งเนื่องจากอยากรู้ว่ามีวิญญาณจริงหรือไม่ในครั้งที่สองน้องกุ้งนางได้ไปเตดหาดใบสีีวางอยู่อย่างไม่ตั้งใจหลังจากนั้นเมื่อกลับมาได้สองสามวันปรากฏว่าน้องกุ้งนางเกิดล้มป่วยหนักหมดเรียวแรงต้องใช้ผ้าอ้อมสาหรับผู้ใหญ่ห่อหุ้มตลอดเวลา ตอนกลางคืนยังได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเรียกและเดินอยู่บนบ้านทุกคืนเมื่อย้ายไปนอนที่โรงพยาบาลเสนาก็มีคนเห็นคนแก่มานั่งอยู่ด้วยจึงเกิดความกลัวกลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วไม่ไปโรงพยาบาลอีกเลยเมื่อกลับมาที่บ้านแล้วก็ยังได้ยินเสียงคนร้องเรียกอยู่ตลอดทุกคืนทำให้นอนไม่ได้ซึ่งเชื่อว่าเป็นวิญญาณของเจ้าของบ้านเขียวที่ตามมา แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงทำให้ร่างกายของน้องกุ้งนางซูบหอมลงไปเรื่อยๆจนเนื้อเกือบติดกระดูกขราวนี้ดงดังขึ้นจนได้มีคนติดต่อไปยังรายการคุณอวดผีเพื่อให้ริ้ิวจิตสัมผัสมาช่วยเหลือซึ่งได้เตรียมการเพื่อจะไปขอขมาคุณพิทักษ์บริหารแม้ว่าน้องกุ้งนางจะอยากไปกราบขอขมาที่บ้านเขียวด้วยตัวเองแต่น้องกุ้งนาง ก็ไม่สามารถพาเอาร่างกายที่ป่วยหนักไปขอขมาเองได้คุณยายจำปีจึงเป็นตัวแทนไปทำพิธีขอขมาแทนหลานสาวพร้อมกับริวจิตสัมผัสโดยเมื่อเข้าไปภายในบ้านเขียวจูจูริวจิตสัมผัสก็ตรงไปยังห้องหนึ่งภายในบ้านอย่างรวดเร็วพร้อมกับตรงไปยังกรอบรูปของคุณพิทักษ์บริหารเพื่อสื่อสารกับท่านในทันทีโดยใจความที่ริวจิตสัมผัสสัมผัสได้ก็คือ ยาวเดือนกูเป็นนี่ทำสิ่งอับ ป, ปีกูไม่ได้ทำร้ายใครกูติดกรรมห่วงสมบัติซึ่งริวจิตสัมผัสก็ได้นำข้อความเหล่านี้ไปสอบถามและพูดคุยกับทายาทของคุณพิทักษ์บริหารโดยทายาทเองก็เชื่อว่าคุณทวดของพวกเขายังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะยังห่วงสมบัติที่ทุ่มเทมาด้วยแรงกายแรงใจนั่นเองแต่เมื่อเวลาผ่านไป ร่างกายของน้องกุ้งนางก็ไม่ได้ดีขึ้นและสุดลงเรื่อยๆจนสุดท้ายน้องกุ้งนางก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาไม่ว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องลึกลับหรือไม่แต่เหตุการณ์นี้มันยิ่งทำให้บ้านท่านขุนเป็นที่ก่าวขานโจดจันเกี่ยวกับความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นไปอีกทั้งนี้หนึ่งในสิ่งที่ทำให้บ้านเขียวกลายเป็นที่ล่าลือถึงอาถรรพ์เฮียนเพราะคนรุ่นหลัง ได้เห็นห่วงคล้องที่ติดอยู่กับพื้นราวกับว่าเป็นห่วงโซ่ล่ามฆ่าธาตบริวารแต่ทายาทของขุณพิทัก์บริหารชี้แจงว่าห่วงดังกล่าวเป็นเพียงห่วงสำหรับล่ามกำปั่นหรือตู้นิรภัยเท่านั้นเนื่องจากสมัยนั้นได้มีการเลิกทาตไปแล้วและยังไม่มีธนบัตรที่เป็นแบง์ใช้จึงต้องมีห่วงสำหรับล่ามตู้เก็บเงินเอาไว้เพื่อกันขโมยไม่ใช่อย่างที่เล่าลือกัน แต่หากจะมีใครสักคนที่วนเวียนอยู่ภายในบ้านก็คงจะเป็นขุนพิทักษ์บริหารที่ยังคงผูกพันและห้วงแหนบ้านหลังนี้จนไม่อยากไปไหนแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับญาติพี่น้องของขุนพิทักษ์ไม่เชื่อว่าบ้านหลังนี้จะมีพูดผีวิญญาณและท่านขุนก็ยังเป็นคนใจดีมีเมตตาทาบุญกุศล ทำประโยชน์เอาไว้มากมายอีกด้วยสัมภัสเสียยง